รวมสิกขาบทที่มีในจีวรวัคจีวรวัคมี10สิกขาบทคือ 1. ปฐมกถินะสิกขาบทว่าด้วยกถินดอกข้อที่1 2. อุดโธสิตาสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเก็บจีวรไว้ในโรงเก็บของในวงเล็บว่าด้วยกฐินดอกข้อที่สองสตติยกะกถินะสิกขาบทว่าด้วยกฐินดอกข้อที่สาม สปุราณะจีวรสิกขาบทว่าด้วยการให้สักจีวรเกา่า 5. จิระปฏิฆหานะสิกขาบทว่าด้วยการรับจีวร 6. อัญญาตกะวินยติสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอกระหัตผู้ไม่ใช่ญาติ 7. ตตุตริสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอจีวรเกิน 8. อุปัคขตะสิกขาบท ว่าด้วยคนตรเรียมทรั์เป็นค่าจีวร 9. ทุติยอุปคาตะสิกขาบทว่าด้วยคนตรเรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร ข, ข้อที่สองสราชาสิกขาบทว่าด้วย ร, รัยรย์เป็นค่าจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้ทูตนามาถวาย